الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل ِ و س ل ِ م و, آ و ب ا, ك إ إن ك أن ك ر ك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إ ر ش ح د ي صدري و ي س ر لي أمري وأحل لقدتم ا ل س ا ن يفقه ي قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعزنا من شرور أنفسنا ขบห ن, ن, ن, ن, ن ้ ظلم ن ا ้าอันฟ و อิลลัมทับ ن ิร์ลหน ن าวะท ن พมหน้า ا س นักุนหน้ามินอ ا ลข้าศิรินขบหน้าเอตินหน้าในบุญยาพัสนะวะฟิอัลอาขีรตีพัสนะตะวะกินะอาซาบาน ا ร์อัลฮซานง เป็นจุดจบเป็นบั้นพลายการเดินทางของเราทุกคนครับจากไม่มีอะไรเลยอัยัตแรกนี้เราไม่มีอะไรเลยฮัลอาทาอาลอิมสานหีนมินัดดหรีลำยะคุณใช่อัมัดคูรมาถึงอัยัตสุดท้ายจากสรุรห์นี้ดูซิว่าเราจะไปไหน จากที่ไม่มีอะไรสุดท้ายจะเป็นยังไงนี่คือบทย่อของชีวิตมนุษย์ในสุรษะอัลอินซนะครับซึ่งเป็นสุรษะที่อัลลอสุบฮะฮาตะอลลได้จุดประกายความรู้ได้สร้างแรงจูงใจให้กับเราทุกคน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามคาชี้แนะของพระองค์ที่จะทําให้เราได้กลับไปสู่สวรรค์สถานที่ที่พวกเราทุกคนใฝ่ฝันและปรารถนาเป็นน้องครับเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียานี้ท่ามกลางสังคมที่ เต็มไปด้วยการแข่งขันแข่งขันกันจนกระทั่งบางครั้งถึงขั้นแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นต่อสู้ห้ามหันหรืออะไรต่างๆอีกเยอะแ ย, ยะมากมายทั้งระหว่างผู้ที่ศรัทธาต่อล l l a ผู้ที่ปฏิเสธ Allah หรือแม้กระทั่งระหว่างผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah ด้วยกันเองระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันเองเราก็ยังเห็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นพี่น้องถามว่าเราจะแข่งกันหาอะไรเอากันจริงๆอ่ะที่เราแข่งกันเนี่ยเราแข่งกันหาอะไรเป้าหมายสูงสุด สิ่งที่เราหวังมากที่สุดจากการแข่งขันของเราคืออะไรเอาจริงๆเราแข่งกันในโลกดุนยาเราต้องการอะไรแล้วถ้าเราถามว่าถ้าไม่มีดุนยาเราจะยังแข่งกันอีกไหมถ้าสมมุติว่าอัคราสมันดีกว่าดุนยามันดีขนาดดุนยาเนี่ย มั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของอาเครัฐนี่เราแข่งกันขนาดนี้แต่ว่าอาเครัตมันมีมากกว่านั้นทำไมมนุษย์จึงไม่แข่งขันที่จะเอาอาเครัฐไม่แข่งขันกันที่จะเอาสวรรค์ของล็อกสุภานวะตะอัลลเป็นจุดที่เราหน้าคิดและก็หน้าทบทวนซึ่งสวรรค์ ละอเคราชของล้อสุพรรณแต่ละเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องแข่งขันมากกว่าการแข่งขันกันในเรื่องของโลกนี้ลิมิสลิฮะดะฟัลย์ตนาฟซิลมุตนาฟซูนแล้วแต่ลาบอกว่ามันสวรรค์เนี่ยเรื่องไอสิ่งที่เหมือนกับสวรรค์นี่แหละที่มันคู่ควรสําหรับมนุษย์ ในการที่พวกเขาจะแข่งขันกันไม่ใช่ปีกยุงไม่ใช่ซากหูแพะตายพี่น้องรู้จักไหมปีกยุงท่านนบีเคยเปรียบเทียบดุนยานี้เหมือนกับปีกยุงแล้วก็เคยเปรียบเทียบดุนยานี้เหมือนกับซากลูกแพะ ที่ตายไปแล้วท่านหนึ่งท่านเดินไปกับบันดาลซอครบวาอยู่บนถนนแล้วไปเจอลูกแพะตายเป็นซากไปแล้วก็เลยหยิบหูข้างหนึ่งของลูกแพะเนี่ยดึงออกมาแล้วก็บอกว่าใครจะซื้อบ้างหูใครจะซื้อลูกแพะนี่บ้างหรือใครจะเอาฟรีบ้าง อนาสตาฟาก็บอกว่าอเอาฟรียังไม่เอาเลย ถ, ถ้ามีชีวิตก็ยังไม่มีใครเอาลูกแพะตัวเล็กมากเลยและนี่มันเป็นซากไปแล้วใครจะเอาตันนาบีก็เลยได้โอกาสบอกว่าดุนยาในมุมมองในทัสนับของอัลลอสุฮานะะตะลาานั้นมีรัคาต่้กว่วาซากแพะตายนี้เสียอีกดุนยาที่เรา ที่เราเห็นมนุษย์กำลังห้ำหั่นกันอยู่ตอนนี้แล้วพี่น้องจะคิดว่ายังไงในวันนี้เราเรียนเรื่องสวรรค์มาคือที่เจ้าต้องการให้เราเห็นว่าสวรรค์น่ะคือสิ่งที่เราคนจะต้องแข่งขันกันแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับไม่ใช่แข่งขันในเชิงอิจฉาริษยาแต่แข่งขันกันเพื่อปลุกกระตุน้น ทำให้มันเกิดบรรยากาศของการที่จะช่วยกันพาไปสวรรค์ด้วยกันนี่คือข้อเท็จจริงที่เราตราลา ต, ต้องการจากมนุษย์เอาแต่ละอุตสาบอกเรื่องสวรรค์ต่างๆความสุขในสวรรค์ต่างๆนานามากมายแล้วสุดท้ายพระองค์ก็บอกว่าวิธีที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เส้นทางที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ก็คือเนี่ยคำพูดของพระองค์ อินนาเราห์เนื้ซลล์น่ะอัลกุรอานะทัน ziel อั้บหรือผู้ชมรับบิ๊กว่าละทุกข์มันอาทีมันโอเคฟรอกให้ตามอัลกุรอานอัลกุรอานบอกอยังไงแล้วไม่ต้องไปตามพวกนูน้นพวกนู้นมันไม่ได้พาไปสวรรค์ไอ้ที่มันแข่งกันเนี่ยมันไม่พาไปสวรรค์หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปตามอย่าไปตามแฟชั่นของพวกนูน้นอย่าไปตามเทรนด์ของพวกนูน้นเรามีเส้นทางของเรา เรามีแฟชั่นของเราเรามีจุดยืนของเราที่อัลกุรอานบอกเสร็จสักเรียบร้อยแล้วอย่าหลงกลแชยตอนแชตอนที่เป็นจินและก็อย่าหลงกลแชตอนแชตอนที่เป็นมนุษย์ที่พยายามทำให้เรานั้นออกไปจากเส้นทางที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ของล่องสุพรนาตาแล้วบททบทวนนี้หนักมาก มันเป็นบททบทวนเล็กๆง่ายๆแต่มันหนักมากเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกตัวเองออกจากความรู้สึกไม่ให้ยึด ต, ติดกับดุนยาแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่อัคราเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักมากเพราะฉะนั้นสุรษนี้เป็นอีกหนึ่งสุรษที่จะต้องเป็นสุรษที่เราอ่านบ่อยๆแน่นอนครับท่านนาบีเองก็ได้ทาสุนนะด้วยการอ่านสุรษนี้บ่อยๆ นะครับอย่างที่เราบอกก็คือในวันศุกร์ทุกเช้าวันศุกร์ในละหมาดซุบุท่านจะอ่านสุรานี้ในรักอัลที่สองพร้อมกับสุรานเัจดะเพื่อเป็นการตอบย้ำมนุษย์ว่านี่คือเส้นทางชีวิตของพวกเขานะครับวันนี้เรามาดูข้อสรุปสุดท้ายที่เราจะบอกให้เราฟังนะครับตั้งแต่อายะห์ที่ยี่สิบเจ็ดหน้าสี่สิบสาม أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هؤلاء يحبون العاجلة จะรู้นวราห์มยามหนักหน่วงหนักหน่วงเราสร้างขึ้นและเราสร้างขึ้น وإذا ََ شئنا ِ بدلنا أمثالهم َُ تبدلا َ إن هذه تذكر فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إ ِ ل َٰ ر َِّ ه ِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا เฌ ا อัลล ل ฮ์อินนัลลอฮ์ัลลิ حكيم ي ุดเ م ้าลุ่มยิَ่เช้าฟีร์ห์มติ้ أ َัดทลายมีน่ الحمد لله นะอินนาอลัย حبون ا ل ع ج ل ة นะอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าตัวบีกการประนามและเป็นการอธิบายสาเหตุว่าทาไมที่มุสลิมหรือผู้ศรัทธา ไม่สมควรที่จะปฏิบัติตามเสียงเรียกร้องของคนที่ไม่หวังอะเครัตเอาข้อนี้ก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงสวรรค์นะครับที่เราบอกว่าเส้นทางไปสู่สวรรค์เนี่ยก็คือต้องใช้เส้นทางของอัลกุรอานทั้งที่แล้วเราเรียนแล้วว่าอัลกุรอานนี่แหละคือเส้นทางที่จะพาเราไปสู่สวรรค์คนที่จะยืนหยัดอยู่บนเส้นทางของอัลกุรอานนี่จะต้องอดทนฟาสบิร ลิพุกมิรับบิคใครที่ตามอัลกุรอานแล้วต้องอดทนเพราะว่าเส้นทางของอัลกุรอานนั้นมีอุปสรรคจะทำยังไงเพื่อที่จะอดทนได้อย่างเต็มเปี่ยมต้องอาศัยตัวช่วยอะไรครับตัวช่วยวาลกุริสมารับบิกะมุครัชันวาอัซิละต้องซิกิเอตต์อัลลอฮฺ การซเกตนี ang, ja i i raw, ha ่เป็นพลังที่จะช่วยให้เราอดทนบนเส้นทางของอัลกุรอานไวมินาไลลิฟาสจูดลัหูวาสเบห์อุไลลังตาวิลละอันนี้เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งการลุกขึ้นมากลางคืนมาทศเสห์ต่อ Allah มาละหมาดมาขอดุทิศต่อล l l a h นี่จะเป็นพลังที่จะทำให้เรานั้นได้อดทน บนเส้นทางของอัลกุรอานเป็นพลังที่ทำให้เรายืนหยัดและไม่ปฏิบัติตามเวลาตัวแปะมินหมุมเราจะไม่ฟังคนที่ชักจูงเราไปในเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางสวรรค์เพราะบางทีเส้นทางอื่นที่เขาชักจูงเราที่เขาชวนเราไปเนี่ยมันก็มีพลังนะมันมีพลังมันมีอิทธิพลโดยเฉพาะต่อจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง ถ้าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยพลังของมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีพลังอะไรมากแต่เนื่องจากจิตใจของเราไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็เลยโดนลากไปได้ดุนียเนี่เน่ายิ่งกว่าซากแพะแต่เราโดนยึดหัวใจของเราโดนดุนีย์ยึดไปได้ถ้ามันไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้องอาศัย ความอดทนต้องอาศัยการสกิเกตต้องผูกโยงกับวัลลังก์สงครามต่างอะไรกัลหรออ่ะเวลาหัวใจจึงจะเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับเสียงเรียกร้องของอีกฝั่งหนึ่งได้ซึ่งอายันี้ลักลาะบอกว่าไม่มีเหตุผลหรือข้ออ้างที่เราจะปฏิบัติตามเสียงเรียกร้องของอีกฝ่ายหนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้อยู uh ่หิบบูนะอัลอฮจิละคนพวกนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขาปรารถนาก็คือ เฉพาะเรื่องที่มันเป็นระยะสั้นอะไรทีละผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะในโลกดูนี่ที่พวกเขาทำทั้งหมดอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์อาวุธต่างๆที่คิดค้นขึ้นมาความสะดวกสบายต่างๆที่มีทั้งหมดที่พวกนี้คิดขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีทั้งหมดที่อุตสาห์ทำขึ้นมาทั้งหมด เราไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีนะมุกมินไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่าเข้าใจผิดอย่าบอกว่าเราจะไปสวรรค์เราก็ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่เราจะมองในมุมมองของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาสร้างของพวกนี้มาเนี่ยเขาคิดไหมว่าของพวกนี้จะพาเขาไปอัคราสเขาไม่ได้คิดทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออัลอาจิล เพื่อเอามาใช้ในโลกดุนยานี้ทั้งสิ้นเพื่อมาปรนเปลอความสุขเพื่อมาตอบสนองตัณหาของตัวเองทั้งสิ้นโดยที่ไม่สนใจว่าวายซาลูนาวราอัลฮ์เยอมันสกีละไม่สนใจว่าเบื้องหลังของพวกเขาจะต้องเจอกับวันที่หนักงวงแค่ไหนนี่ไม่เคยสนใจพวกเขาไม่ได้ประดิษฐ์เฟซบุ๊กไม่ได้ประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตไม่ได้ประดิษฐ์ซัมซุงเพื่อ ให้ช่วยเหลือพวกเขาในวันอาคราฐไม่ประดิษฐ์มาเพื่อดุนยานีเท่านั้นนี่คือมุมมองของคนที่ไม่มีความกลัทาต่ออัลลอฮุ س ب า ا ن และวเพราะฉะนั้นมุสลิมจะต้องเข้าใจเวลาที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้ผมเคยบอกแล้วนะผมบอกแล้วว่ารอบที่แล้วนะว่าบอกไปแล้วว่าบางที เราอาจจะไม่ต้องตามทันก็ได้แต่ให้เรารู้ทันรู้ทันกับตามทันมันคนละแบบกันบางทีเราตามทันทุกอย่างแต่เราไม่รู้ทันสักอย่างตามทันโมเดลนั้นโมเดลนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้ซื้อตามเ้าหมดแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งซื้อไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับอัลลอฮุบฮะฮตลลอประนามในอายัดนี้ว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปอาเซอร์สถเลย คนพวกนี้ทำทุกอย่างเพื่อชีวิตในโลกโดุนยานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามรู้รู้ทันได้แต่ไม่จำเป็นต้องตามทำเข้าใจนะครับ <c oughs> แล้ก็ไปคิดเองว่าจะเอาอยัางไงจะกำหนดจุดยืนของเราอย่างไงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเวลาที่เราเห็นนะสิ่งต่างๆที่คนเหล่านี้กำลังเรียกร้องเราอยู่ว่าเราจะกำหนดตัวเองอย่างไงให้ ให้เราเข้าใจว่าสังเกตดูให้ดีในอายักที men, ่ cool er อัล l l a ์ตะลาบอกว่าวะลาตุเทร์มินห์ฮุมอาซิมันเอา์กาฟูรอาซิมันหมายถึงคนที่ทำผิดด้วยการกระทำกาฟูรหมายถึงคนที่ปฏิเสธด้วยหัวใจแล้วอัล l l a ์ตะลายังเรียกว่ามินหุม จากพวกเขาจากคนกาเฟรทั้งหมดเนี่ยอย่าตามคนที่เรียกร้องไปสู่การทำผิดไม่ว่าจะทำผิดด้วยการกระทำหรือทำผิดด้วยหัวใจทำไมอะ่ะทไมที่ต้องเจาะจงว่าอย่าตามคนที่เรียกร้องไปสู่การทาผิดอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในจำนวนทัฟซีรที่เป็นข้อสังเกตเพราะเขาบอกว่าบางครั้ง มันมีคำเรียกร้องที่เราสามารถให้ความร่วมมือได้เข้าใจไหมครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีเขาเรียกร้องไปสู่สิ่งที่เราสามารถจะร่วมมือกับเขาได้ถ้ามันไม่มีความผิดและไม่มีกูฟรถ้ามันไม่เป็นบาปและมันไม่เป็นกูฟรถามว่าเราร่วมมือกับเขาได้ไหม ได้นี่คือข้อสังเกตเล็กๆที่นักตฤษฎีบางคนอธิบายให้เราเข้าใจมันไม่ใช่ว่าถ้าหากเป็นการร่วมมือกันสมมติอย่างเช่นที่ท่านนาบีสโ ล, ลละ ล, ล, ละฮ์เคยร่วมมือกับยหอหดีกับยูในเมืองมาดีนนะตอนที่ท่านนาบีไปใหม่ๆใช่ไหมครับไปทําสนธิสัญญาระหว่างชาวมุสลิมกับชาวยูในเมืองมาดีนะเพะว่า ทุกคนจะต้องร่วมกันอะไรร่วมกันปกป้องมาดีนะถ้ามนุดมีศัตรูมาจากภายนอกแล้วจะต้องช่วยกันปกป้องอันนี้คือหนึ่งในจำนวนบทเรียนที่เราได้รับจากอายัดนี้ที่บอกว่าไม่ไม่ตามเขาเนี่ยไม่ตามเขาในสิ่งที่มันเป็นบาปและการกุฟอร์าาตอ Allah s u b h a n a แต่ถ้าเป็นการเรียกร้องไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกันในโลกดุนยาก็ยังดีอาจจะไม่ใช่ผลประโยชน์ในโลกอาคารัชแต่เป็นเป็นผลประโยชน์ที่มุสลิมเองได้รับประโยชน์ในโลกดุนยาเราร่วมมือไนดะ้ท่านนาบีเคยร่วมมือเคยเข้าประชุมที่เรียกว่า hel helful f u d อ l ในสมัยจักรเลีะนะสนัญญสัญญาร่วม ก, กันกับคนกาเฟรเพื่อที่จะรักษาผลประโยช น, น์ของสังคมร่วมกันได้อันเนี้ย ที่ผมบอกว่าอันไหนที่เราสามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมและก็อันไหนที่เราไม่มีส่วนร่วมส่วนส้นส่วนร่วมไม่ได้ต้องเข้าใจบริบทของอายัดทั้งหมดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เอาอายัดใดอายัดหนึ่งมาใช้โดยที่ไม่ได้ไปดูว่าอีกอายัดหนึ่งเนี่ยเขาอธิบายยังไงแต่โดยรวมโดยหลักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของบรรดาเสียงเรียกร้องด่าว่าของบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมักจะเนี่ยอยู่เท่านี้แหละ อยู่หิมูนั่นและเจเลยไม่ได้เรียกร้องไปสู่สวรรค์ั้งแต่อยา่างใดต้องแยกแยะให้ดีเวลาที่เร า, าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างโลกสมัยนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจให้ดีว่าเราจะกําหนดจุดยืนของเรายัางไงอันไหนที่ขอบเขตของศาสนาอนุญาตอันไหนที่ศาสนาไม่อนุญาตเราต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าปิดกั้นไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยไม่ใช่ ก็ต้องอยู่กับเขาหรือไม่ใช่ว่าละลายตัวเองไปเลยอันนี้ก็เสียหายนะครับต้องเข้าใจว่าเราจะกําหนดจุดกินอย่าง น, นีซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้มันมีมากกว่านะครับที่เราจะเอามาอธิบายเพียงแค่สั้นๆนะครับแต่ว่าข้อกําหนดของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือตามอายาทเทวราชลาบบอกนะครับในสุราห์นี้และในสุราห์อื่นๆ ا أ ي ي อินนาฮาอูลัยยุฮิบูนลอาจิละข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของมันก็คือเพื่อเตือนใจแล้วก็เพื่อประนามบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อหลอที่เอาใจใส่เฉพาะเรื่องดุงยญาแล้วกไ็ไม่สนใจเรื่องอาเครัสเลยต้องการเตือนใจเราในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าให้ความสำคัญกับอาเครัสมากกว่าที่จะไปยึด ต, ติดอยู่กับชีวิตนะ อัลอาจิลเฉพาะหน้าในโลกดุนยเท่านั้นไม่สนใจอาคราชไม่ศรัทธาต่อวันอาคราชอายัดต่อไปอัลลอฮ์ตะอลาใช้การเขาเรียกว่าใบอนุรุจหรือภาษาไทายเขาเรียกว่าอะไรใช้การอ้างว่าถ้าพวกนี้ไม่ยอมศรัทธาต่อวันอัคราชเนี่ย ก็ลองมาดูหลักฐาน น, น, านี้หลักฐานที่อัลลอฮฺตรัลบอกว่า “نحن خلقناهم وشهدنا أسرهم” ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายถ้าเจ้าไม่ศรัทธาว่าตัวเองจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันอัคราบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจงรู้เถิดว่าเรานี่แหละเป็นผู้สร้างเจ้าในโลกดุญญนย์นี้ถูกต้องไหมครับ “وشهدنا أسرهم” สร้างมาแล้วก็ให้ความให้ความส ม, มดุลให้ความสมบูรณ์แก่ร่างร่างกายของเจ้าเนี่ยแบบสมบูรณ์แฉดแน่นาไม่ถึงให้ให้มีความแข็งแรงให้มีความสมบูรณ์ทุกอย่างตาก็สมบูรณ์มือเท้าอะไรทุกอย่างเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมหมดไม่ใช่ว่านะมือแหว่งเท้าแหว่งตาโบ๋ไหม ทำมนุษย์มาใ น, ในสภาพที่ดีที่สุดนีด่คือความหมายขคำว่า shattered a s r ทุกอย่างเป๊ะหมดเลยไม่ใช่สร้างมาเหมือนกับเด็กเล่นที่ เ, เ, อ, าเอาเอาเอาดินน้ำมันหรือว่าเอาดินเหนียวมาปั้นปั้นปั้นปั้นปั้ น, นดูไม่ออกว่าเป็นอะไรไม่ใช่ทำมาอย่างดีระบบขับถ่ายระบบหายใจระบบประสาท ระบบการหมุนเวียนของไหลเวียนของโลหิตของเลือดทุกอย่างระบบสมองทุกอย่างดีมากลัก <ت ص في ق> ัด خ ل นอ <يم> ินซานะทีอ์ันตควีไม่มีอีกแลระบบที่อัลล์ุบฮตะอล่าไมให้กับมนุษย์จะมาเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์สุบฮ์ร์ตะอัลาไม่มีอีกแลระบบที่ดีที่สุดไม่มีสุบฮานอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ไหนในโลกดุนยานี้ ที่จะซับซ้อนและก็มีความมหัศจรรย์มากไปกว่าพวกเราอีกแล้วใช่ไหมครับใครเป็นคนทำใครเป็นคนสร้างถ้าอัลลอฮฺสุบไบร์ตอัลลอฮ์ถามเราว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยเกิดมาได้ยังไงเราจะบอกว่าอย่างไงฉันสร้างตัวฉันเองฉันกําหนดฉันเองฉันสร้างเมมโมรี่ของฉันเองฉันสร้างแขนของฉันเองได้ไหม ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปอ้างอย่างนั้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะอ้างได้ว่าตัวเองเกิดขึ้นมาเองอัลลอ์ประกาศเพราพระองค์เป็นผู้สาาร้างเราแล้ว เ, เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นเครื่องหมายยิ่งใหญ่แล้วก็ชัดเจนที่สุดว่ายาอัลลอห์เอไม่รู้จะปฏิเสธยังไง น้องครับถ้า Allah สร้างเรามาดีขนาดนี้แล้ววันหนึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์จะสร้างแบบเดียวกันที่พระองค์สร้างมาให้กับเราเนี่ยพระองค์สร้างไม่ได้เชียวหรือว่าอิซาชิกนะบัดดัลนาอัมซาลฮุมทับดีละและถ้าเราอยากจะทำอีก เราก็สามารถที่จะทำเหมือนกับพวกเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งมันจะแปลกอะไรนี่คือความหมายของอายะ น, นี้จริงๆแล้วบัดัลนาอับซาละฮุนทับดีแลเนี่ยมีการตรั้งีออกมาสองแบบบางคนบอกว่าอันเนี้ยหมายถึงในโลกดุนยาถ้าพวกเจ้าไม่ยอมศรัทธาต่อวันอาคราฐระวางให้ดีอัลลอฮ์จะให้เราตายหมดจะให้พวกเจ้าตายหมดแล้วพระองค์ก็จะให้คนอื่น เกิดขึ้นมาแทนและก็จะให้คนเหล่านี้ศรัทธาต่อพระองค์แทนพวกเจ้านี่คือหนึ่งความหมายซึ่งมีพูดในสุรษอื่นที่อัลลอฮ์ตะลาบอกว่ายะอายฮันนัสอัลตุมุลฟุการาอุอิลลอหวะลลาฮูวะลกไนยุลฮามนอ่นลนะนึกกซิบเองก็พูดถึงอายะที่อัลลอฮ์ตะลาบอกว่า อินยาชายุธ uh ิบคุมวยาตบี خلق ์เจดีว่ามา ذلك อัลลอฮฺบี عزيز แล้วก็ในสุรุตุนิสาทิอัลลาฮฺอัลลอฮฺอินยาชายุธิบคุมไอ้ยุห์านนัสวยาตบีอาฮารีพวกเจ้าอ้อนหังกับอัลลอฮฺอย่างเนี้ยไม่ศรัทธาต่อพระองค์อย่างเนี้ยพูดอะไรก็ไม่ฟังบอกให้ทำก็ไม่ทำ บอกให้เลิกก็ไม่เลิกดื้อกับฉันดื้อกับ Allah อย่างนี้ระวังให้ดีถ้า Allah ประสงค์กําจัดเท่ากําจัดเจ้าทิ้งหมดลบทิ้งหมดแล้วก็ให้คนอื่นมาแทนให้คนอื่นมาแทนให้คนอื่นศรัทธาต่อพระองค์ทีนี้พวกเจ้าก็ไม่มีไม่มีอะไรจะที่จะพูดอีกแล้วนี่คือในโลกดุนีอาหนึ่งในจำหนึ่งในความหมายของอายัดนี้ก็คือว่า เจ้าอย่าโอหังกับ Allah Allah เป็นผู้สร้างเจ้าเป็นให้เจ้าให้เจ้ามีมีอะไรนะมีสภาพที่สมบูรณ์อย่างนี้นึกถือว่าละจะละัลลไม่สามารถที่จะทำลายเจ้าให้หมดสิน้นแล้วก็เอาคนอื่นที่เหมือนกับเจ้ามาแทนสุ b า a n a ล l a h อีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าอายัดนี้หมายถึงในโลกอาคีัดหมายความว่าถ้าในโลกดุเนีย a ละลสร้างเรามาได้ ทำไมในโลกอคีรเนี่ยเาจะอจะให้เราเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เราเกิดมาในโลกดุนยาไม่ได้เชื่หชไหมครับอัลอิสติดลาลบิลบดาตีอัลรัจ ع เขาเรียกว่าการใช้หลักฐานในช่วงแรกในการเกิดช่วงแรกเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานว่ามันมีโอกาส และมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะเกิดเป็นครั้งที่สองได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าครั้งแรกมนุษย์ไม่มีอะไรเลยแล้วมนุษย์จะเกิดขึ้นมาในครั้งที่สองถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเลยเราจะจะให้เกิดขึ้นมาครั้งที่สองได้ไหมก็ได้เพราะครั้งแรกก็ไม่มีอะไรแต่ว่า ครั้งที่สองเนี่ยถ้าเรามุมมองในมุมมองของมนุษย์ด้วยกันเองง่ายกว่าครั้งแรกด้วยซ้ำเพราะว่ามีอยู่แล้วซากของเรามีอยู่แล้วเศษที่เหลือของมนุษย์นี่มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไปยากอะไ ร, ส, รสํ ح ح าหรอับลอ ل ฺ سبحانه แวะ تعالى เพราะฉะนั้นเรา خلقناهم وشدنا أسرهم วَาِ ذ َ ا شِئْنَا ชิคนะบัตเดลนะอัมซาล่ะของเจ็บดีล่ ا, ا, أ เป็นการอ้างเชิงคู่สัมพนะครับให้มนุษย์นี่คิดว่าสำหรับอัลลอฮ์ทุกอย่างเป็นไปได้นะครับนี่คือจุดสุดท้ายที่อลัลลอลาใช้ในการเรียกร้องมนุษย์ให้ทบทวนตัวเองพอปิดจริงๆสรุปท้ายบทจริงๆเนี่ย ละตะลาก็เลยนะครับปิดสุร์นี้ด้วยอายักที่ว่าอินฮาซิฮิทัสกิรอทั้งหมดทั้งปวงที่พูดถึงตั้งแต่ต้นสุร์มาจนถึงเมื่อสักครู่นี้คือท ah ัสกิรอคืออะไรครับทัสก ah ิรอคือสิ่งที่จะมาเตือนพวกเจ้าโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮฺอัลกบคำนี้สวยงามมากครับคำว่าทัสกิรอเนี่ย คำว่าทักษิรห์เนี่ยสวยงามมากมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนเบาบางเป็นแค่คำตักเตือนไม่ใช่การบังคับนะไม่ใช่มาขู่เค้นนะแต่เป็นทักษิรทักิรเป็นการสิกิต فمنشاء ا า ت خ ز إلى ربي س ب ي ل ะเอาสิฉันเตือนเจ้าแล้ว ฉันบอกแกเจ้าแล้วฉันให้บทเรียนแกเจ้าแล้วทีนี้เจ้าจะเอาอยัางไงก็เรียนเชิญ <laughs> ใครที่ต้องการกลับไปหาล l ก็เชิญ فمن شاء إتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ س َ ب ِ ي ใครที่ต้องการจะได้รับความสำเร็จก็จงเลือกเส้นทางที่จะกลับไปสู่ a l l a ์ซุลตานอลตะอัลสังเกตดูให้ดีอายันี้บอกว่า เวลาที่เราอยากจะได้บทเรียนจากอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ได้มาเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแต่ต้องเลือกต้องเลือกทำไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าสวรรค์อยากจะเข้าสวรรค์อยากจะเข้าสวรรค์แต่ไม่ได้ทำอะไม่ใช่มันต้องมี acting ออกมาจากการเลือกของเรา นะพมันเช่อิรับบิฮตบิงเอาเส้นทางของอัลลอมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าอยากจะได้เฉยๆโดยที่ไม่ได้เลือกแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำความหมายของอายตนี้เนี่ยมันพาเราไปสู่จุดนั้นไม่ใช่ว่าเออฉันอยากจะเป็นชาวสวรรค์อัลลอขอให้ฉันเป็นชาวสวรรค์แต่แต่ตัวเองอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ใช่ครับนะต้องเดินบนเส้นทางของ Allah นะต้องเดินบนเส้นทางของ a l l a ไม่ใช่อยู่กับที่ไม่ได้ไปไห น, นอะไรคือเส้นทางของ Allah นั่นลหละครับคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องไปไปดูมาไปร่ําเรียนม า, นาไปทบทวนมาไปให้ข้อสรุปกับตัวเองม า, าแล้วก็ หลังจากนั้นว่ายังไงต่ อ, อว่มาตะชอบนั ا أ ่นอีหละอากให้พระเจอินนั่ละที่จะเป็นผูรับผิดชอบทั้งหมดทีกิดขึ้นในโนี้เป็นกา่ง อ, อ่กอย้นในโกนี้างนึงก่อกนใน้านี้ทั้งห่เข้นในรลกนี้ทที่อากาดข้นรรกนี้รับบทรี่เกิดข้นในก้ั้งที่เก า, า, า, าดขึ้นก้ทั้งหมดที่ เ, เ ก, กิดขา้นในกนี้ทั้งหมดที่เิขึ้นในลกนทั้รามดท่ิดข้ทั้งหมดที่เขาเลกอัทกิ บางทีเวลาที่เราบอกว่าให้เลือกทํามนุษย์อาจจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะทําอะไรก็ได้เวลาที่เราแต่เราบอกว่าให้เราเลือกเนี่ยบางทีนะครับความคิดชั่วชั่ววูบหรือว่าชั่วแล่นเนี่ยมันอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเหมือนกับว่าอัอิราดความประสงค์ของมนุษย์เนี่ย มันเป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแบบร0อยเอร์ซ็ไม่ใช่ความประสงค์หรือความต้องการของมนุษย์ของมะลูกเนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอส์บ ب า ا ن ه และ ت ع ا ل าด้วยอันนี้คือปรชัชญานะครับเวลาที่อัลลอฮ์ตะลาบอกว่ามนุษย์จงเลือกทำเส้นทางที่จะพาเขาไปสู่สวรรค์ถามว่า การที่เราเลือกทำเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราร้อยอร์หรือว่าเกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ทรงอนุญาตและก็อนุมัติให้มันเกิดขึ้นอันนี้คือความสวยงามของอิสลามนะเป็นข้อสรุปที่สวยงามของอิสลามว่าเวลาที่เราจะคิดทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เราตัวคนเดียว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดทั้งปวงนั้นความต้องการของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการความต้องการของอัลลอฮ์สุลฮานอัลกัสลาห์เข้าใจไหมครับจริงๆแล้วเราเคย อ, อธิบายอันนี้แล้วในสุราอะไรลองกลับไปทบทวนสุราอะไรที่เรามีสองสามสุราที่มีอายัดนี้ว่ามันจะชาอูนอิลลันยาชาอัลลอฮ์ความต้องการของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความต้องการของอัลลอฮ์สุลฮานอัลกัสลาห์ นะครับรอโอเคอธิบายแล้วในส و ر อ่อ่อธิบายแล้วนะครับสุรัดที่เราอธิบายว่ามา ل ه هو ه ل ه ل ะเพราะฉะนั้นคือสรุปของสุรอัลอินซานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราถ้าเราอ่านและก็ทความเข้าใจไปตามสเต็ปที่เาต้งอธิบาย เาอธิบายว่าเส้นทางของ Allah เนี่ยบอกไว้หมดแล้วใครที่อยากจะนะครับกลับไปสู่เส้นทางของ Allah ให้เข้าเลือกแต่การเลือกของเขานั้นอยู่ภายใต้ความเมตตาและการอนุญาตจาก Allah าาอีกขั้นเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะต้องพยายามนะพยายามทรรมพยายามปฏิบัติ สุดความสามารถเท่าที่เรามีแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะขอจากอัลลอฮ์ด้วยอย่าลืมที่จะขอจากอัลลอฮ์สวาบแต่อะไรว่ายาอัลลอฮ์ได้ทรงประทานเตาฟิกให้กับเราได้โปรดประทานเตาฟิกให้กับเราได้โปรดให้เราอยู่บนเส้นทางนี้ไปตลอดเพราะบางทีถ้าเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือทําหรือไม่ทำํำนะบางคนมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทําเนี่ยงั้นวันนี้ขอไม่ทําก่อน ขอไม่ทําก่อนเดี๋ยวพอถึงสักวันพออยากจะทําเดี๋ยวกูทําเองมันอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้มาตอนนี้ยังยังหนุ่มอยู่อายุยังน้อยอยู่ยังไม่ต้องทำก่อนยังไม่ต้องทอาําอามะลก่อนเดี๋ยวสักวันหนึ่งพออายุสี่สิบอายุห้าสิบค่อยเลือกทําระวังให้ดีอันนี้คือความรู้สึกที่ไม่มีอายักมาควบคุมนะไม่มีอายะกเที่ยวละตาลาบอกว่า วะมาตชาอูนะอิลาอันยชาออัลลอฮเร า, าเราอยากจะทำตอนอายุ50พอเราถึงอายุ50จริงๆถ้าอัลลอฮตะอาลามไม่อนุมัตให้เราทำตอนนั้นมันจะเป็นอย่างไงนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮตะอาลามาคุมเราอยู่คุมความรู้สึกคุมความคุมอารมณ์คุมความคิดเราอยู่ว่าอยากคิดแบบนั้นเพราะวางทีมันอาจจะมีคนที่คิดแบบนั้น ยังไม่ถึงหกสิบไม่คิดถึงไม่ไม่คิดถึงหลุมฝังศพยังไม่คิดที่จะเข้าสุ่เราอะก็ยังเป็นหนุ่มอยู่คิดว่าตัวเองนี่สามารถที่จะทำหรือไม่ทำได้เอาสุเป็ละหามินตะเลยระวังให้ดีนะครับเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูทำเองระวังให้ดีบางทีอัคเดะส่วนนี้มันหายไปอัคเเกดะส่วนที่บอกว่า ความต้องการของเราเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้กําหนดอยู่นะอยากคิดว่าตัวเองสามารถที่จะทําถ้าอัลลอฮฺไม่อนุมัติให้ทําไม่อนุมัติให้มันเกิดขึ้นจากการกระทําจากความต้องการของเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วขอดูอาเนี่ยอย่าลืมนะครับขอดูอาต่ออัอลลอฮฺเสมออัตลอฮฺใหเรายืนหยัดอยู่บนเส้นทางของอัลลอฮฺให้ความต้องการของเราให้หัวใจของเราเนี่ยหัน ไปสู่การทาดีการยืนหยัดบนเส้นทางที่อัลลอฮฺสุลต่านต้องการเนี่ยต้องขออยู่ตลอดเวลาอิดนอสุรอตลมุสตะกิมทไมต้องอ่านอายันี้ทุกวันในละหมาดเพราะอะไรเพราะนี่แหละเพราะต้องการให้อัลลอฮฺตัลลานั้นรับบะนาลัดูซิกกุลูบะนาบดอิฮะดัยตนะหัวใจของเราอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอะไรอยู่ระหว่างสองนิ้วของอัลลุานตลา ยันเลบุกเเกาช่มันพลิกแพลงตามความประสงค์ของอัลลอฮ์สุ่มทางกันแหละเราคุมหัวใจเราไม่ได้บางทีเราคุบหัวใจเราไม่ได้จริงๆิงนั่นแหละที่เราต้องขอดุทิยามุคลิบะลุลุบตบิทกลบีอาลาดีนิกท่านนบีขอดุอินี้มายามุคลิบะลุลุบตบิทกลุบะนาอาลาดีนิกยามุซริฟะลลบริฟกลูบะนาอิลาตาอาติสองสองสำนวน Allahumma all al al Allah um al ya مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Allahumma ya مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا الله ผู um, ้ทรงพลิกแ พ, พล่หัวใจได้โปรดทำให้หัวใจของเรานั้นมั่นคงบนศสนาของพระองค์ยา a l ล a h ผู้ทรงคลิกแพล่หัวใจทรงจัดการหัวใจได้โปรดหันหัวใจของเราเนี่ยไปสู่การต่ออาตต่อพระองค์ ให้มีสองอย่างมีการพึ่งอัลล์แล้วก็มีการปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติจากเราด้วยนะครับอย่าอย่าปฏิบัติด้วยความโอหังแต่ไม่คิดว่าละตัลลาควบคุมเราอยู่และอย่าหวังพึ่งโดยที่ไม่มีการปฏิบัติอันนี้ไม่ได้ข้อสุดท้ายยุดขิลุมัยยาชาอูฟีรอห์มัดิกอินนัลลอฮะแคนัลิมันฮะคีม แท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทรงรู้ว่าอะไรทรงรู้ว่าใครที่เขาจะเป็นผู้ที่ได้รับอิดายัดจากอัลลอฮ์แล้วพระองค์ก็จะถกทรงทําให้มันเกิดความง่ายได้แก่เขาทรงรู้ว่าใครที่จะต้องเจอกับการหลงทางและเขาก็จะเห็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปตามนั้นจริงๆ นะครับนี่คือด้วยฮิกมัตจากล l l a h ด้วยความรอบรู้ของพระองค์แต่เราไม่รู้เราไม่รู้ความรอบรู้ของ Allah ุสุบะอัลลาล์ตรงนี้เราไม่มีความรู้เราไม่มีความรู้เราไม่รู้อัลลอล์นะเราเองเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองว่าต่อไปเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําวันนี้ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้ดีเพราะฉะนั้นต้องขอดุดมอัลลอฮ์สุบะอัลลาฮ์นะจากด้วยความรอบรู้ของพระองค์เนี่ยให้เราเนี่ยอยู่ในเส้นทางของ Allah ยุดขิลุันยาชอุฟีรัมัิพระองค์จะทรงนำผู้ที่ทรงประสงค์ให้เข้าไปสู่ในความเมตตาของพระองค์ละบัณฑาผู้ที่ซนิมผู้ที่อธรรมอธรรมต่อตัวเองอธรรมต่อคนอื่นคนเหล่านี้พระองค์ก็จะทรงตอบแทนพวกเขาด้วยการลงโทษที่ เจ็บปวด ن ع و ูอัลฮิลนาฟีรัหมติกลมะอัลิลนาฟีรหมติกมะอลิลนาฟีรหมติกขอุทอานะครับัง a l l ะเนเราเข้าไปอยู่ในความเมตตาของพระองค์นะครับทั้งตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียนี้และในวันที่เราจะกลับไปหาอัลลสุบฮาวะลในวันอคเเลตี่พวกเราทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับ ด้วยความเมตตาด้วยราะห์มัจากอัลลอ์ไม่ใช่ด้วยอั ม, มัลของเราไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยความโอหังในอมมามัลของเราไม่ใช่นะครับเราต้องทำอมมามัลต่ออัลลอฮ์ซุลฮานตะลาแต่การทำอั ม, มัลของเราไม่ได้เป็นสาเหตุไม่ได้เป็นข้ออ้างที่เราจะไปโอหังต่ออัลลอ์แล้วไปอ้างกับพระองค์ว่าเราขอเข้าสวรรค์ ด้วยอามาัลของเราไม่เลยไม่มีทางเด็ดขาดที่เราจะได้เข้าสวรรค์ด้วยอามาัลของเราแต่ทุกคนจะต้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อ AH ัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่แหละครับคือข้อสรุปว่าสุดท้ายชีวิตของเราเราต้องเลือกแต่การเลือกของเรานั้นไม่ได้เป็นข้ออ้างที่จะทําให้เราเกิดความโอหังในตัวเองเด็ดขาด อย่ามีความคิดแบบนี้เด็ดขาดทุกวันนี้เราอยู่บนเส้นทางแห่งความดีอัลฮัมดุลิลลา์เราได้เลือกที่จะเป็นผู้ศรัทธาต่อ Allah س ب ح ا ن ละเราได้เลือกเป็นผู้ที่จะมาทำอิบราฮิตต่อ Allah เป็นผู้ที่ผูกพันกับมัสยิดของ Allah เลือกแล้วอัลลอฮฺ เราได้เลือกเป็นคนที่จะมานั่งเรียนอัลกุรอานของล l l a h سبحانه และเจ้าเลและเลือกที่จะปฏิบัติตามเส้นทางของอัลกุรอานแล้วแต่ระวังให้ดีอย่าโอหังอย่าตะกบุร์อย่ามีความรู้สึกว่าตัวเอ ง, เพงพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของล l l a h سبحانه และเจ้าเลแล้วเราก็มองคนอื่นด้วยความรู้สึกว่าคนอื่น ถ้ามีความรู้สึกนี้เด็ดขาดเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตะลาหรือไม่วะลลอฮฺอัลลอแต่เราหวังแล้วเราก็ขอดวอาอยู่ตลอดเวลาว่าจากการที่เราเลือกมาบนเส้นทางนี้อินชาอัลลอฮฺเราหวังว่าอัาลลอฮฺจะเอาเราเข้าไปสู่ความเมตตาของพระองค์นี่คือข้อสรุปของเรานี่คือข้อสรุปของพวกเราที่บอกว่า สุดท้ายแล้วชีวิตของเรามันไม่ได้ออกไปจากนี้เลยเส้นทางที่เราจะกลับไปสู่อัลลอสุบัลลอ์ที่อัลลอพยายามเรียกร้องเราบอกว่าสวรรค์ของเจ้าเป็นอย่างนี้ความอลังการของสวรรค์เป็นอย่างนี้ความสุขในสวรรค์เป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะกลับไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบไบตัอ Allah, ตัดสินใจตั้งแต่วันนี้แล้วก็ททำและก็ใช้ชีวิตอย่างนอบนอบ้อมต่ออัลลอฮุ س ب าน ن ه ะ ขอดุอธร์ทุกครั้งที่มีโอกาสขออุทธรณ์ลอสวนต์อะไรให้เราได้เป็นหนึ่งในจํานวนผู้ที่ะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เราจะได้มีโอกาสนะครับไปอะไรนะแลกแลกแก้วแลกแก้วสุราได้ไปกินผลไม้ที่เราฝันอยู่นะครับว่ามันจะอะไรนะ นึกจำได้ไหมผลผลไม้ที่มันจะลงมาให้เราหยิบจากกิ่งของมันเลยรออัคบวรเอออิละฮะอิลล allah นะครับสวรรค์ไม่เหมาะสำหรับคนที่ตะกกระบบสวรรค์ไม่ใช่ที่ของคนที่ตะกกระบบโอหังสวรรค์ไม่ใช่ที่ของคนที่มีหัวใจเป็นโรคไม่มีคนที่จะเข้าสวรรค์จะต้องถูกล้าง หัวใจเนี่ยจะต้องชำระก่อนว่นใจนะ่ะแม้ฟีกุลูบีมาฟิสุลูรีบ ม, มินริลเพราะฉะนั้นอย่ามีความรู้สึกนี้เด็ดขาดใครที่อยากจะเป็นชาวสวรรค์ทบทวนหัวใจของตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่ามีความรู้สึกแบบไหนยอยู่ถ้ามีความรู้สึกตะคบบลมีความรู้สึกริลมีความรู้สึกอิจฉามีความรู้สึกที่ต่างๆนานาที่มันเป็นโรคของหัวใจเนี่ยรีบเสียนะครับ อย่าให้มีความรู้สึกนี้เราเป็นคนดีอัลฮัมดุลิล่าที่เราได้เป็นคนดีแต่อย่าให้มีความรู้สึกว่าเอ็งไม่รู้จะอธิบายยังไงบางทีคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีโรคหัวใจายอยู่เอาสุบินละเหมือนแต่ละเหมือนที่บรรดาซาฮบะกลัวว่าตัวเองจะเป็นมูนาฟิกนั่นแหละครับไม่มีซาฮบะคนไหนที่ไม่กลั ว, วตัวเองจะเป็นมูนาฟิก ละอิลลฮ์อิลลัลลอฮในขณะที่เรานั้นมีความรู้สึกว่าปลอดจากโรคพวกนี้วลัยยะจุเป็นเหรมันได้ได้าล่ะครับอัญชะลออยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับได้ทำความผูกพันกับสุรา์นี้ให้มากๆอ่านให้มากๆเผื่อว่าหัวใจของเรานั้นจะได้สะอาดมากขึ้นพร้อมที่จะเป็นหัวใจของชาวสวรรค์ทวนหน้ า, Allah, าะะอาาินชาอัลลอฮ์ a ل ل a h Taala عالم وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أَمَّا ي َ س ِ ف ُ و ن َ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله